จุดเริ่มพัฒนาเป็นจุดสำเร็จแห่งความก้าวหน้าในมรรคาคนกล่าวย้ำถึงความสำคัญของสมาธิิหรือองค์ธรรมฝ่ายปัญญาไว้เป็นพิเศษว่าระบบการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะมองในแง่ของมรรคหรือตรายศิขาก็ตามล้วนเริ่มต้นด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญา ที่ทำการให้สำเร็จลุถึงจุดหมายสำหรับไรศิกขาแม้จะมีศีลเป็นข้อแรกแต่ความจริงก็ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติเป็นต้นทุนไว้ก่อนซึ่งได้แก่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่เพราะความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นนี้เป็นเพียงการรู้ว่าทางไหนตนจะพึงไปและตั้งต้นที่ไหนเท่านั้น จึงไม่จัดเป็นขั้นตอนของระบบการฝึกอบรมช่วงกว้างของปลายศีรขาเมื่อผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อถูกต้องเป็นพื้นฐานต้นทุนอยู่แล้วก็เริ่มการฝึกอบรมที่ความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะซึ่งเป็นหมวดศีลก่อนเมื่อศีลพร้อมดีแล้วก็ฝึกขั้นปราณีตขึ้นมาถึงการฝึกอบรมจิตหรือสมาธิ จนถึงขั้นสุดท้ายคือเจริญปัญญาให้แก่กล้าจนพ้นจากอวิชชาความจริงปัญญานั้นเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆตลอดกระบวนการฝึกอบรมเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอาจเป็นเพียงความเชื่อตามเหตุผลก่อนแต่ในระหว่างการฝึกอบรมต่อมา ความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อที่มีไว้เป็นทุนเดิมนั้นก็จะค่อยๆเจริญเพิ่มพูนและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับด้วยอาศัยการรู้จักคิดการไตรตรองสอบสวนพิจารณาการรู้เห็นประจักษ์ผลการปฏิบัติที่เกิดมีในระบบการฝึกอบรมและการที่อินทรีย์ต่างๆแก่กล้ายิ่งขึ้น จนในที่สุดปัญญาก็จะเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงถึงขั้นหลุดพ้นบรรลุนิพพานได้คือความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อตามเหตุผลกลายมาเป็นการรู้การเห็นด้วยปัญญาของตนจริงๆโดยสมบูรณ์ดังบาลีว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นญ า, นกาณกัลณีคือการสร้างการรู้ จกักขุกรณีการสร้างจักสคุคือการเห็นเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความตรัสรู้เพื่ อ, อนิพานข้อนี้มีมาในธรรมจักกบปวัตนสูตรจึงเห็นได้ว่าตอนท้ายของมรรคก็จบลงด้วยปัญญาซึ่งเป็นองค์ธรรมตัวการที่มีบทบาทเด่นชัดในการทำให้มันลุที่หมาย โดยในยะนี้ต่อจากมัสมีองค์8บางแห่งท่านจึงเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปอีกสองข้อคือสัมม า, ายานความรู้ชอบซึ่งเทียบกับญาณการณณีและจกักขุกรณณีและสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบเทียบกับความสงบความตรัสรู้นิพพาน สัมมาญาณและสัมมาวิมุตติต่อเข้าไปกับมรรครวมเป็นสิบเรียกสัมมัตตะหรืออเซคธรรมสิบดูที่จิคานิกายปาติกวักอัรธกถาว่าสัมมาญาณหมายถึงพลญาณและปัจเจเวคขณะญาณสัมมาญาณก็คือส ม, มาทิฏฐิขั้นสุดท้ายนั่นเอง ตามแนวนี้สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนสะพานสำหรับทอดข้ามจากอาวิชชาไปสู่วิชาเมื่อมีวิชาก็เกิดสัมมาญาณและยอมหลุดพ้นเป็นสัมมาวิมุติสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบหรือเห็นถูกต้องถ้าให้ความหมายแนวโลกีก็ว่าเห็นถูกต้องตามคลองธรรม ให้ความหมายแนวโลกุตระก็ว่าเห็นถูกต้องตามเป็นจริงคือเห็นตรงตามสภาวะหรือตามเหตุปัจจัยความหมายของสมาธินี้จะได้กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วยองค์ประกอบของมรรคโดยเฉพาะในตอนนี้ควรทราบความหมายเพียงคร่าวๆพอให้เข้าใจเรื่องที่กำลังพูดถึง ขึ้นต้นทีเดียวสัมมาทิฏฐิในความหมายที่ว่าความเห็นหรือแม้แต่ความเชื่อถูกต้องตามคลองธรรมเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นก็เพียงพอที่จะทำให้เริ่มปฏิบัติธรรมได้เพราะเมื่อเชื่อหรือเห็นเช่นนั้นแล้วก็ย่อมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติดีเข้าสู่การฝึกอบรมช่วงแรกในระดับศีลของไตรสิกขาอย่างไรก็ดี บุคคลที่มีสมาธิเพียงขั้นนี้มักจะเน้นหนักอยู่แค่การปฏิบัติขั้นศีลอย่างที่พูดในภาษาไทยว่าอยู่แค่ระดับศีลธรรมไม่ค่อยก้าวต่อไปสู่ขั้นสมาธิและปัญญาดังจะเห็นว่าท่านมักแสดงความหมายอย่างนี้สำหรับสมาธิในธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบทสิประการซึ่งเป็นการปฏิบัติในมรรคระดับสามัญ ความหมายที่กว้างออกไปสักหน่อยแม้จะไม่ได้กำหนดอะไรชัดเจนลงไปแต่ก็เข้ากับแนวของการปฏิบัติตามมัคทั้งหมดได้แก่ความหมายในแนวของการรู้เข้าใจอริยสัจคือความเข้าใจสภาพปัญหารู้สาเหตุที่จะต้องจัดการแก้ไขรู้จักจุดหมายและแนวทางการปฏิบัติพอเป็นพื้นฐานที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติได้คล้ายกับที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า รู้ว่าตนจะไปไหนรู้ว่าทางไหนจะไปที่นั้นและทางนั้นจะไปตั้งต้นเดินทางได้ที่ใดส่วนความหมายที่กว้างที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้แก่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันและเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมัน ความหมายแนวนี้กินความคลุมถึงความหมายแบบอื่นๆทั้งหมดเช่นรวมถึงการเห็นสภาพปัญหามองเห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่เป็นสาเหตุมองเห็นทางตามภาวะที่มันเป็นทางเป็นต้นและเป็นความหมายของสมาธิในแง่ที่จะเจริญเพิ่มพูนชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปตลอดมรรคาแห่งการปฏิบัติอย่างที่ว่ายิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งรู้หรือยิ่งทําไปก็ยิ่งรู้ไปจนทําสําเร็จก็รู้หมดเท่าที่กล่าวมาเห็นได้แล้วว่าสัมมาธิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวนําในการดําเนินตามมรรคาแห่งมัชชิมาปฏิปทาและเป็นตัวยืนที่มีบทบาทอยู่ตลอดเวลาทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ อย่างไรก็ดีระหว่างการดําเนินมรคคาตลอดสายนี้สัมาทิฏฐิมีใจเพียงเป็นที่อาศัยหรือเป็นตัวสนับสนุนองค์มรคข้ออื่นๆฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ตัวสัมาทิฏฐิเองก็ได้รับความอุดหนุนจากองค์มรคข้ออื่นๆด้วยยิ่งการดําเนินตามมรค ก, ก้าวหน้าไปเท่าใดสัมาทิฏฐิก็ยิ่งอบรมบ่มตัวให้แข็งกล้าชัดเจนมีกําลังบริสุทธิ์มากขึ้นเพียงนั้น และในที่สุดก็กลายเป็นตัวการสำคัญที่นำเข้าถึงจุดหมายปลายทางของมรรคาจนกล่าวได้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและปลายสุดของมรรคาการที่สัมมาทิฏฐิจเจริญคลี่คลายขยายตัวมาตามลาดับในระหว่างมรรคาเช่นนี้ส่องความในตัวว่า สัมมาทิฏฐิในลำดับหรือในขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัินั้นมีความแตกต่างกันโดยคุณภาพตามลำดับหรือตามขั้นตอนนั้นๆสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่ออยู่ในจุดเริ่มต้นย่อมมีคุณภาพต่างจากสัมมาทิฏฐิที่มีเมื่อถึงปลายทางสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นทีเดียวก็ดีที่สุดทางก็ดี อาจมีลักษณะจำเพาะตัวที่แตกต่างจากลักษณะทั่วไปของสัมมาทิฏฐิตามความหมายทั่วไปกล่าวคือสัมมาทิฏฐิที่จุดเริ่มต้นอาจยังมีลักษณะไม่พร้อมสมบูรณ์ที่จะควรนับว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเต็มความหมายของคําและสัมมาทิฏฐิที่สุดทางอาจมีคุณสมบัติแปลเปลี่ยนพิเศษออกไปจนควรเรียกชื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหาก การแยกคำเรียกจึงมีประโยชน์ในกรณีนี้โดยที่สัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะนหนึ่งของปัญญาคำรวมที่เหมาะในที่นี้จึงควรได้แก่คำว่าปัญญาซึ่งหมายความว่าปัญญาเจริญขึ้นตามลำดับของการฝึกอบรมในมรรคานี้ ปัญญาที่เจริญตามลำดับขั้นนี้แต่ละขั้นตอนที่สำคัญมีลักษณะและชื่อเรียกพิเศษอย่างไรควรพิจารณาต่อไปสักเล็กน้อยกล่าวตามระบบมัชฌิมาปฏิปทาพอจะวางลำดับสังเขปของการเจริญปัญญาได้ว่าสำหรับคนสามัญทั่วไป ที่ต้องเรียนรู้ด้วยอาศัยคำแนะนำสั่งสอนจากผู้อื่นกระบวนการฝึกอบรมจะเริ่มต้นด้วยความเชื่อในรูปใดรูปหนึ่งก่อนซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธานี้อาจเป็นความเชื่อเพราะพอใจในเหตุผลเบื้องต้นของคำสอนนั้นแลหรือความเชื่อในความมีเหตุผลหรือลักษณะ อันสมเหตุสมผลน่าไว้วางใจของตัวผู้สอนเองจากนั้นจะมีการรับฟังคำสอนการศึกษาอบรมเกิดความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นมองเห็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยตนเองซึ่งเรียกคร่าวๆว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อความเห็นความเข้าใจนี้เพิ่มพูนและแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นตามลำดับ ด้วยการลงมือปฏิบัติหรือพิสูจน์ด้วยประสบการณ์จนกลายเป็นการรู้การเห็นประจักษ์ก็นับว่าปัญญาได้เจริญมาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นสัมมาญานซึ่งเป็นขั้นที่พ้นจากความเชื่อหรือศรัทธาและพ้นจากความเข้าใจด้วยเหตุผลหรือทิฏฐิไดใดทั้งสิน้นเป็นขั้นสุดทางและเข้าถึงจุดหมายคือความหลุดพ้นเป็นอิสระซึ่งเรียกว่า สัมมาวิมุตติลำดับความเจริญของปัญญานี้อาจเขียนให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ในที่นี้ท่านเขียนแต่ละคาและมีลูกอนไปหากันนะครับสามคำแรกอยู่ในกรอบเดียวกันคือศรัทธาไปสู่สมาธิทิไปสู่สัมมาญาณ น, นำไปสู่สัมมาวิมุตติ ตัมงกระบวนธรรมะนี้เริ่มแรกทีเดียวปัญญามีอยู่เพียงในรูปแฝงหรือเป็นตัวประกอบของศรัทธากรแล ะ, จะเจริญเป็นตัวเองขึ้นตามลาดับจนเมื่อถึงขั้นสุดท้ายเป็นสัมมาญาณปัญญาจะเด่นชัดบริสุทธิ์เป็นตัวแท้ส่วนศรัทธาจะไม่เหลืออยู่เลยเพราะถูกปัญญาแทนที่โดยสิ้นเชิงเมื่อถึงขั้นนี้เท่านั้น การตรัสรู้หรือการหลุดพ้นจึงมีได้กระบวนการนี้จะได้เห็นต่อไปตามลำดับข้อนาสังเกตเป็นพิเศษคือศรัทธาที่ปรากฏเข้ามาในกระบวนธรรมานี้หมายถึงศรัทธาเพื่อปัญญาหรือศรัทธาที่นำไปสู่ปัญญาเท่านั้นจึงต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาหรือเชื่อเพราะมีความเข้าใจในเหตุผลเป็นมูลฐาน คือเป็นอาการรัตติสัทธาหรือสัทธายานสัมปยุตไม่ได้หมายถึงความเชื่อแบบมอบใจปลงปัญญาให้ไปโดยไม่ต้องพิจารณาเหตุผลหรือที่เรียกว่าอามูลิกาสัทธาหรือสัทธายานวิปยุตอย่างไรก็ตามความที่ว่ามานี้เป็นการมองดูกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือความเจริญงอกงามของสมาธิ ในแง่ที่เริ่มต้นจากศรัทธาอย่างเดียวซึ่งนับว่าไม่ครบถ้วนความจริงว่าตามหลักธรรมอัจริยะบุคคลบางคนสร้างเสริมปัญญาของตนได้โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อผู้อื่นท่านเหล่านั้นใช้แต่ความรู้จักคิดรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างเดียว แล้วก็พัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นจนรู้เข้าใจทั่วถึงซึ่งสัจธรรมในกรณีนี้คือพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้โดยใช้โยนิโสมนาสิการอย่างเดียวเป็นปัจจัยของสมาธิแม้แต่คนสามัญที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาปัญญาของเขาจะเจริญงอกงามต่อไปได้ ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนัสิการของเขาเองด้วยลำพังศรัทธาอย่างเดียวจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจนถึงที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะปัญญาขั้นโลกุตระที่ยังรู้สัจธรรมกำจัดกิเลสสิ้นเชิงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดโยนิโสมนัสิการแม้ศรัทธาที่ถูกต้องพึงปรารถนาก็คือศรัทธาที่เชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการ ปารโตโคสะในวงเล็บวิธีการแห่งศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดโลกิยะสัมมาสมาธิโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยให้เกิดโลกุตระสัมมาสมาธิโดยในย่านี้กระบวนธรรมะที่ครบถ้วนจึงควรเขียนใหม่ดังนี้ในที่นี้เป็นแผ่นภาพท่านแบ่งเป็นสองสายสายแรก เริ่มที่ศรัทธาสายที่สองเริ่มที่โยนิโสมนัสิการซึ่งคําว่าศรัทธามีลูกศรไปหาโยนิโสมนัสิการและทั้งสองคำคือทั้งศรัทธาและโยนิโสมนัสิการแต่ละคํามีลูกศรพุ่งไปหาสัมมาทิฏฐิสู่สัมมาญาณไปสู่สัมมาวิมุตติ รวมความว่ามีปัจจัยสองอย่างที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือศรัทธาซึ่งหมายถึงการไว้ใจในปัญญาของผู้อื่นหรืออาศัยปัญญาของผู้อื่นโดยผ่านทางคําแนะนําสั่งสอนเป็นต้นของเขาเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกและโยนิโสมณสิการซึ่งหมายถึงความรู้จักคิดหรือคิดเป็นคิดถูกวิธีของตัวบุคคลนั่นเอง เป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายในคำว่าศรัท ธ, ธายัางไม่เล็งถึงตัวแหล่งที่มาของความรู้แท้จริงเป็นเพียงคุณธรรมภายในที่เชื่อมโยงบุคคลไว้กับปัจจัยภายนอกตัวปัจจัยภายนอกที่เป็นแหล่งแท้จริงก็คือคนอื่นคนที่ชักจูงให้เชื่อถือหรือคำแนะนำสั่งสอนของคนอื่น เรียกเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาว่าปาระโตโคสะปาระโตโคสะนี้นอกจากช่วยให้เกิดศรัทธาเป็นวิธีสร้างสัมมาทิฐิโดยอ้อมแล้วยังอาจกระตุ้นให้บุคคลใช้โยนิโซมณสิการโดยตรงทีเดียวก็ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิไว้สองอย่าง คือเสียงจากผู้อื่นที่เรียกว่าปรโตโคสัเป็นปัจจัยภายนอกและการรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในพระพุทธศาสนาย้ำนักถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิเพราะคนทั่วไปแม้แต่ชาวพุทธเอง มักไม่เอาใจใส่องค์ธรรมข้อนี้ให้มากเท่าที่ควรแม้เมื่อมองเห็นความสำคัญของสมาธิแล้วก็มักเอาใจใส่กันอยู่เพียงแค่ความสำคัญขององค์ธรรมนั้นพูดเน้นพูดย้าแก่กันถึงความสำคัญของสมาธิไม่ก้าวต่อไปอีกจึงจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนว่าสมาธิสำคัญมากก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือจะทำให้สมมมาทิฐินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นก่อนจะกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆของมัชจึงขอพูดเรื่องปัจจัยของสมมมาทิฐินำหน้า